เสียงงานโดยอริยคุณร่วมจัดทาโดยเจ้าภาพหลักภัยสารเตชาวลีกุลครอบครัรวเอียมวงศรสรินยาอริยชาติพดุงกิจเจ้าภาพรองพรมรศสีและจุลารัฐเพชรกลมครอบครัวทาวรหิรันเจริญครอบครัรวขาหาสุวรรณนิชามาโสภาอนนกทษาสุดาพรตรงสิริสุภกิตนิมมานรเทพร่วมกับอีกหลายท่านฟังได้จากท้ายเรื่อง